ดาส่งท้ายหละแล้วมันส่งท้ายจริงหรือเปล่าสิเรื่องของเรื่องพอส่งท้ายเสร็จก็ข่าวต่อไปก็ส่งท้ายของส่งท้ายพอข่าวต่อไปก็ส่งท้ายของส่งท้ายของส่งท้ายเข้าไปอีกอตัวอย่างต่อไปจะฝึกกินสํารวมวงเล็บวันหลังหน่ ะ, ะตัวอย่างต่อไปจะหัดนอนสีหาสัยญาติวงเล็บยาเลย คืนพรุ่งนี้ก็แล้วกันหอนะงเล็บปิด อ, อีกตัวอย่างหนึง่งผมอยู่ในเมืองปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าจะปฏิบัติก็ต้องเข้าป่าวิเวก อ, อันนี้ไม่มีไม่มีบอกวงเล็บหน้านี้สงสัยพิมพ์ตกหลน่นซะ ม, น ม, มั้งนะอาจจะตกหล่นตั้งแต่ต้นฉบับเพราะว่าเข้าใจไหม ก็นั่นไงจริงๆแล้วมันจะต้องทุกอันมันมีอ่ะเห็นไหมเราดูหัวข้อต่อไปนะจะเข้าวัดฟังธรรมก็วงเล็บโอ้ยฉันยังเด็กเกินไปนะอีกตัวอย่างหนึง่งจะละกิเลส ท, ที่เห็นวงเล็บโอ้ยฐานของฉันยังอ่อนเกินไปสังเกตมาทุกตัวอย่างอ่ะก็จะมีวงเล็บทุกอันเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะขาดหายไปได้ยังไงอ่ะมันจริงๆมันคงจะตกหลน่น นับเวลาและวารีไม่เคยคอยใครต่างก็ผัดผ่อนตัวเองตลอดเวลาผู้ผัดตัวเองอยู่เสมอจึงคือผู้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้จริงเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าร่างกายจะยังแข็งแรงอยู่เราแน่ใจหรือว่าชีวิตจะยังคงยืนยาวอยู่ถึงพรุ่งนี้กิเลสจึงมีอีกหลายขั้นตอน ถ้าไม่ผ่านหนึ่งแล้วก็รับรองไม่มีทางถึงสองแน่ๆและพอมาถึงสองก็ต้องใช้เวลาทะลวงผ่านอีกเป็นขั้นๆกลัวเวลามันจะหมดเสียก่อนถึงเลขสิบหรอกอ๋อนั้นหมดหัวข้อที่สี่เลยนะซึ่งหัวข้อนี้นะเรื่องผัดวันประกันพรุ่งนี้เราจะเจอบ่อย เราเองเนี่ยแหละตัวเราเองเนี่ยจะเป็นมากเลยสุดเดียวส่วนใหญ่เนี่ยเราลองเราลองสังเกตดูอาการที่เราจะผัดบานประกันพุ่งหนึ่ขี้เกียจนะมันเลยทำให้รู้สึกว่าผัด2ก็คือติดติดในเรื่องนั้นอ่สาสก็คือกลัวกลัวอะไรอ่กลัวลําบากนะก็เลยผัด ผัดไปก่อนอา้าวสีอะไรฮะถึงดั้งถึงต้อ ง, ง, งผัดไปเนี่ยก็กลัวลำบากนั่นแหละไม่สู้ฮะอะไรนะความเคยชินเออถ้าความเคยชินเพราะว่าคนนั้นผัดจนเป็นนิสัยเออ อันนี้ไม่ไม่ใช่ติดของนั้นนะเข้าใจไหมแต่ว่ามันเคยชินที่พัดจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเลยมันกลายเป็นอะไรอะ่ะเหมือนกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในตัวเรามันเลยมันเลยชักจะแก้ยากอ่ามันจะติดอย่างนั้นนะต่างจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าติดอันนั้นหมันหมายถึงว่าไปติดสิ่งนั้นติดเรื่องนั้น เข้าใจไหมแล้วมันอาจจะเสียดายมันอาจจะกลัวมันอาจจะอะไรต่างก็เลยทำให้ต้องขอผัดไปก่อนนะแต่ติดอันนี้นี่หมายถึงติดนิสัย <c oughs> อ, อมันต่างอันนี้เอาจากสี่แล้วเอาใครมีแง่มุมอื่น้าอ่อนแอไม่มีกาลังก็เลยต้องผัดไปก่อนเอ้ามีเหตุผลอ้าวหกลองคิดดิษ 6ทำไมต้องผัด ย, ย, ยังไม่เห็นความสําคัญ ไ, ไอ้ที่ผัดนี่แสดงว่ามันจะต้องรู้แล้วอ่ะมันจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยคิดจะทําอยู่แล้วเข้าใจไหมมันถ้าจะใช้อย่างนี้ก็คือว่ามันไม่เห็นความสําคัญในสิ่งที่เราจะได้รับ หลังจากที่เราเนี่ยเลิกสิ่งนั้นได้นะมันยังไม่เห็นคุณค่ามากพอเพราะมันก็เลยผัดอยู่เรื่อยผัดอยู่เรื่อยนะและในมุมกลับกันถ้าพูดมุมกลับกันก็คือว่าคนนั้นยังไม่เห็นโทษภัยนะในสิ่งนั้นมากพอว่าโอ้โหไอ้ที่เราผัดไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้เราสั่งสมเป็นกรรมหรือว่าจะต้องม มันกายเป็นวิบากกรรมเป็นโทษเป็นภัยกับเรานี่ขนาดไหนคนนั้นถึงได้ยังกล้าผลัดอยู่เรื่อยๆถ้าคนไหนเห็นเป็นทุกข์อริยสัจได้ว่าโอ้โหเรายิ่งผลัดนี่เรายิ่งยิ่งแย่นะเห็นได้เหมือนกับคนติดเฮโรอีนเลยนะติดติดยาเสพติดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเห็นได้อย่างนั้นมันไม่อยากจะผลัดแล้ว ว่าวันโหเห็นละทารุนเหลือเกินทรมานเหลือเกินนะคนนั้นกลัวเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าผลัดเลยนะแสดงว่านเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันยังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยไม่เห็นทุกข์ของสิ่งนั้นมากพอก็เลยยังผลัดอยู่ได้นะอันนั้นก็ให้พวกเราคิดกันนี้ก็นะหาการหลบหนีก็นึกถึงคําว่าหนีปัญหาเลยนะ ปุปปสัแห่งชีวิตถ้าไม่สู้ก็ต้องหนีการอยู่เฉยโดยไม่มีปฏิกิริยาย่อมเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผู้ทำความเฉยให้แก่ตัวเองได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยปัญญารู้เข้าใจในความเป็นธรรมดาของโลกโดยแท้จริงผู้นั้นไม่ต้องมีอะไรจะต้องสู้และไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องหนีความรักตัวเองต่างหาก ที่ก่อให้เกิดสภาพสู้และบางทีก็หนีความเป็นปุถุชนวงเล็บแม้ปุถุชนของพระอริยะก็ตามมีด้วยเหรอฮะมีหรือเปล่าฮะมีไ ห, หความเป็นปุถุชนของพระอริยก็ตา ม, ม, ตามยังอธิบายคนไม่เข้าใจ นะไม่ใช่เอาจะมาถามหน่อยอริยขั้นต่ำสุดนี่ระดับไหนพระโสดาบันพระโสดาบันยังมีกิเลสไหมเ อ, อเพราะนั้นในความเป็นพระอริยะเนี่ยอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลเนี่ยที่จริงๆแล้วอ่ะคำว่าปูทุชนเนี่ยก็คือคนที่มีกิเลสหนาใช่แต่ หนาที่สุดของความเป็นอริยชนเนี่ยนะคือพวกไหนก็คือพวกพรโสดาบันนะที่หนาที่สุดนะ ใ, ในในความเป็นพวกที่เป็นอริยอริยบุคคลด้วยกั น, อ, อ, นก อ, อ, อ่น า, า, า, าอ ก, อก็นั่นแหละนะมาให้เรารู้ว่า กิเลสที่หนาที่สุดในความเป็นอริยชนก็คือพระโสดาบันกิเลสหนาที่สุดความเป็นปุถุชนจึงทําให้การเข้าเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นกลายเป็นการหลบหนีเหมือนกันทางจิตวิทยาที่แบ่งไว้พวกหนึ่งสู้กับอีกพวกหนึ่งหนีที่จริงมันก็หนีทั้งคู่แหละ เพียงแค่ดีกรีแก่อ่อนกว่ากันเพราะต่างก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดกับตัวเองได้บ้างก็ลืมบ้างก็แทนที่และบ้างก็ประชดประชันมันก็คงปลอบจิตไปชั่วขณะหนึ่งของหัวใจเท่านั้นเพราะเมื่อจอกแหนที่เต็มแน่นในบึงอันกว้างใหญ่ถูกก้อนหินคว้างลงก็ย่อมแตกกระจายเป็นวงกว้างแต่สักครู่ มันก็กลับมากอดคอผนึกกำลังกันใหม่เมื่อใดเล่าจึงจะพ้นทุกข์ที่แท้จริงอันนี้พอจะเข้าใจมที่เขาบอกว่าไอ้คนที่สู้ก็ตามไอ้คนที่หนีก็ตามจริงจริงแล้วก็หมายถึงคนที่หนีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าใครหนีอ่อนใครหนีแก่กว่ากันเท่านั้นเองเข้าใจไ้มเนี่ยเข้าใจว่ายังไง อ่ะสู้ก็คือหนีแบบอ่อนแล้วมันหมายความว่าไงอ่ะอะคือความสําคัญมันมันอ่าอันนี้มันอยู่ที่ข้อแม้ตัวหลักก่อนว่าเขาสู้กับอะไรหรือว่าเขาหนีอะไรเข้าใจไหมอันนี้เราต้องแยกให้ออกถ้าเรายังไม่แยกตัวหลักก่อนแล้วนะสู้หรือหนีนี่มีผลดีมีผลเสียแล้วแต่ตัวหลักเอาอย่างเช่นยกตัวอย่าง ถ้าเราจะสู้กับกิเลสของเราอย่างเงี้ยนะราคะก็ตามโทสะก็ตามมานะก็ตามสู้นี่มายถึงว่าเอาชนะมันเลยนะให้ได้หรือว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องนอนอะไรพวกนี้นะเราจะสู้เราจะเอาชนะมันให้ได้ถ้าอย่างเงี้ยสู้อย่างนี้ถือว่าหนีหรือว่าคือคือกล้าเผเจญหน้าปัญหาเนี่ยนะแล้วก็สู้เพื่อที่จะลดกิเลสเรา ถ้าอย่างนี้เนี่ยสู้อย่างนี้ถือว่าอ่าถือว่า Subscribe. <you> Wait, แหมถือว่าไม่หนีอ่ะสู้อย่างนี้ถือว่าไม่หนีสู้อย่างนี้คือสู้จริงๆเข้าใจั้มไม่ใช่สู้แบบที่บอกว่าหนีแบบอ่อนๆนะไม่ใช่นี้สู้จริงๆอ่าถ้าแบบว่ากับกิเลสแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าไปเจอกิเลสเรื่องกินเรื่องอะไรก็ตามเสร็จแล้วเราไม่สู้แล้วเราก็หนีเลยนะหนีกิเลสการหนีกิเลสอย่างนี้หมายความว่าไง การห น, นีกิเลสอย่างนี้อย่างเช่นเจอของอร่อยของชอบกินมันเลย <laughs> กินมันเลยอย่างนี้คือสู้หรือเปล่า <laughs> <laughs> เจอก็กินมันเลยนะกินมันลงท้องไปลเลยมันจะสู้แล้วไหวหรือ่ยางเงี้ยกินมันซะเลยนะ <laughs> <laughs> ก็เหนียวส้มตำแหมของชอบอยู่แล้วมาสิแมสู้ขาดใจเลย <laughs> คือกินเรียบเลยนะ <laughs> ไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้สู้หรือว่านี้หรือว่าอะไรไอ้อย่างเงี้ยมันหนีที่จริงแล้วมันแพ้ใช่มอาจารยมาถึงบอกว่าเนี่ยมันต้องดูให้ดีนะว่าบางทีพูดแล้วมันมันมั น, มนสับสนเหมือนกันส่วนกร น, นี้บางอย่างถ้าเรายกตัวอย่างอย่างผู้ชายก็ตามหรือผู้หญิงก็ตามเราไปเจอคนที่เราชอบเงี้ยใช่ไหมไปเจอคนที่เรารักเงี้ยเราจะไปผูกพัน เรารู้ว่าคนนี้เราจะต้องชอบเพราะพอเจอพอเห็นหน้าปัาบ๊บเรารีบโอ้โหไม่ไหวอะคนนี้คืนเจอแล้วก็รักแล้วว่าผูกพันแน่แนเลยรีบหลบเลยรีบหนีเลยเอ่อา้าวห น, นีอย่างนี้ถือว่าสู้เหรอเออนั่นแหละนะไอ้หนีอย่างนี้ถือว่าสู้เนี่ยมันแตกต่างกันมันถึงบอกว่าต้องเข้าใจไอ้เหตุผลหลักพวกนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจเหตุผลหลักพวกนี้บางทีอาการหนีน่นนะคืออาการสู้ สู้จริงๆด้วยสู้อย่างเป็นสัจธรรมแต่ไอ้บางอย่างที่อาจารมาบอกแล้วว่าเห็นอะไรโอโ้โหของชอบกินมาแล้วก็สู้ไอ้อย่างเงี้หนี <c oughs> นะขอจะเข้าใจใช่ไนหะเออานะมันต้องตีความนี้ให้แตกนะถ้าตีตรงนี้ไม่แตกแล้วก็เมาเลยไม่รู้อะไรสู้อะไรหนี <c oughs> อืมอ่มันต้องสู้กิเลสแต่การสู้กิเลสเนี่ย บางครั้งสู้โดยต้องเข้าไปชนเข้าไปปะทะนะบางบางอย่างแต่การสู้กับกิเลสบางอย่างนี่เราต้องถอยเราต้องห่างเข้าใจไห ม, มถ้าอะไรที่มันเป็นกิเลสดูดพ่ดง่ายถ้าอะไรที่เป็นกิเลสดูดเนะี่ยถ้าเราหนีออกมาได้อย่างนั้นนะ่ะถือว่าสู้<ม>อืม แต่ถ้าเราเนี่ยไปเจอกิเลสที่เราผักเราเกียรติชังเราเข้าไปหานะเราพยายามเข้าใกล้ได้อย่างนั้นแหละถือว่าสู้นะอันนี้เข้าใจประเด็นพวกนี้ให้ให้ชัดนะอนนี้การแก้ปัญหาหรือความคับข้องใจของชาวโลกนักจิตวิทยาซึ่งได้แบ่งเรียกว่าเป็นการสู้นั้น แท้จริงก็คล้ายกับบุคคลจะลงอาบน้ำในบ่อใสสะอาดเตรียมเสื้อผ้าสบู่พร้อมพอไปถึงก็กระโดดตูมลงพลาดไปนิดก็ตรงที่บ่อน้ำสะอาดมันอยู่ติดกับบ่อโครนแต่บังเอิญคืนที่เขาอาบน้ำนั้นเป็นแรมเดือนมืดผู้อาบนั้นก็ยังคงคิดว่าเขากำลังอาบน้ำบริสุทธิ์อยู่จนกว่าแสงจันทร์จะเจาะผ่านลงมา เขาจึงจะรู้ว่าที่อาบทุกบ่อยๆนั่นแหละที่แท้มันคือน้ําโครนอันนี้หมายถึงว่าเขาไปเจอผัสสะที่มันเป็นกิเลสเข้าใจไหมอ่เป็นกิเลสเสร็จแล้วก็สู้อย่างที่อาจมาบอกนะคือยิง่งยิ่งเสพกิเลสนั้นแต่เขาเองเขาคิดว่าสู้อยู่ไงแต่ความจริงแล้วนะ่ยอย่างนั้นแหละเขายิ่ง ยิ่งอะไรยิ่งเพิ่มกิเลสตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็คือแทนที่จะสะอาดขึ้นกลับไปเปื้อนโครนหรือเหมือนกับการเข้าป่าไปจับเสือพอจะยินเสียงคำรามเท่านั้นก็ประทับปืนยิงเปรี้ยงเข้าให้ล้มเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นกวางน้อยผู้น่าสงสารแต่คนยิงยังคงคิดว่านี่แหละคือเสือละ่ะคือยิงผิดตัวนั่นเอง ทั้งที่ยิงผิดตัวเนี่ยแต่ตัวเองยังคิดว่ายิงเสือสำหรับผู้หลบหนีปัญหาที่เกิดจึงเป็นผู้อ่อนแอกว่าผู้หันหน้าเข้าเผชิญต่อสู้จิตใจยังเป็นทารกอยู่ยังมีความขาดกลัวภัยมากกว่าอีกพวกหนึ่งพวกนี้แม้ให้อาบน้ำก็ไม่ยอมอาบให้จับเสือพานวิ่งหนีเอาเลยเมื่อยิงเป็นดังนี้เมื่อใดเล่า ที่เขาจะได้อาบน้ําเมื่อใดเล่าที่เขาจะได้จับเสือนะอันนี้เขาก็พูดแบบง่ายๆเนี่ยคงคงจะเข้าใจมั้งฮะพอเข้าใจไหมอันเนี้ยนันจริงๆ จ, จะไปจับเสือจริงๆ จ, จะไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็ถ้ากล้าสู้ถ้ากล้าสู้นะเขาก็ถือว่าดี แต่ถ้าใครหนีเขาก็ถือว่าว่าว่าแพ้นะเอาตื้นตื้นง่ายๆอย่างเงี้ยพรานชีวิตได้ละเลยหน้าที่ของเขาซะแล้วเขาละทิ้งหน้าที่ของเขาที่ได้ก่อเกิดมาพระพุทธองค์ตัดไว้บทหนึ่งเกี่ยวกับจิตไว้ว่ามิช้าปนิหิตตังจิตตังอันหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นไว้ผิดแล้วมันจิบหายยิ่งกว่าการเป็น ฆาตกรัฆ่าคนตายซะอีกสู้เถอะแม้จะผิดๆถูกๆแต่มันก็มีศักดิ์มีสีมีเกียรติยิ่งกว่าการหนีสงครามชีวิตจะต้องมีแต่การรนรงเข้าประจันบาลอย่างไม่จบสิน้นยิ่งรบก็ยิ่งสงบยิ่งกล้าก็ยิ่งสบายยิ่งแข็งแกร่งเปลวแดดและความหนาวเย็น ล้วนก่อกำเนิดสร้างธรรมชาติให้งดงามได้อย่างไม่มีสิ่งใดเทียบและสร้างชีวิตให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กไหลนะอันนี้เขาก็พยายามเน้นในเรื่องที่ว่ายังไงสู้ก็ดีกว่าหนีนะซึ่งซึ่งซึ่งอาตรมาคิดว่าเขาไม่ได้พูดอย่างที่อาตรมาขยายแลื่กี้ตรงนะัแต่เขาก็พูดหลักธรรมดาเนี่ย ที่ว่าคนเราควรจะสู้ชีวิตมากกว่าที่จะหนีชีวิตนะสงรามได้สร้างบีระบุรุษมานับไม่ถ้วนในวงจรแห่งสังสารวัฏอันกว้างไกลทุกชีวิตต่างก็ร่ำร้องความเป็นบีระบุรุษให้ได้เพราะความเป็นบีระบุรุษนั้นมิใช่เหรียญตราแต่มันคือความกล้าหาญยิ่งกว่าพญาราชสีมันคือความแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินผา และหนักแน่นยิ่งกว่าขุนเขาแต่ออนโยนยิ่งกว่าสายลมและแสงแดดยามรุ่งอรุณและไรความทุกข์ไรความโศกไรความหมองตลอดนิรันดร อ, อันนี้ให้คุณค่าของการต่อสู้ว่าคนที่กล้าสู้ชีวิตเนี่ยนะก็เหมือนกับบีรบุรุษที่มีทั้งความแข็งแกร่งอยู่ในตัวแล้วก็มีความ นุ่มนวนอยู่ในตัวพร้อมกันผู้แก้ปัญหาโดยวิธีการหนีรองเงี้ยวหูฟังให้ดีจากดวงใจของตัวเองจะพบว่าภายในจิตปิญญาภายในจิตป ญ, ญญาธาตุรู้ความซ่อนลึกอยู่ข้างในมันได้ตะโกนออกมาด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่ า, วาผิดทางชีวิตแล้วผิดทางชีวิตแล้วนี้นี้เถอะหากลองหนีสักครั้ง ก็จะหนีต่อไปเรื่อยๆสำรวจตัวเองทุกวันนี้เรามีอาการอย่างไรตื่นเต้นกังวลง่ายเกรียดกลัวคนค่อนข้างแรงถือสาคนง่ายพร้อมจะผลักทิ้งออกจากทางชีวิตของเราถ้าไม่ชอบใจรู้ไวเ้เถิดนี่คือผลพวงของการเคยตัวกับการแก้ปัญหาด้วยการหนีนั่นเองนักจิตวิทยา ได้แบ่งวิธีการนี้ออกเป็นหลายๆแบบด้วยกันตามลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกมานะแล้วเขาก็จะขยายต่อไปอีกในเรื่องของการหนีว่าหนีมีหลายรูปแบบเพราะว่าหัวข้อต่อไปเนี่ยเขาก็จะเน้นแล้วว่าหนีกันยังไงสั้นๆนะ เป็นหัวข้อ 5.1 การเก็บตัวหรือปลีกออกจากสังคมอันนี้ก็เากั น, นีสังคมนั่นเองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า isolation ส่วนใหญ่ผู้จะใช้วิธีการนี้มักจะเป็นพวกที่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็จะโศกเศร้าโทมนัสนะโทมนัสก็คือเสียใจซึ่งก็เป็นความผิดหวังในอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการหนีปัญหาอย่างสงบ แบบหัวซุกหัวซุนความหลงรักตัวเองมากไปทําให้ชีวิตคนเราใจเสาะสิ้นดีเมื่อมีเรื่องกระทบจึงมักจะโอดครวนตัดพ้อต่อว่าดังนั้นแม้จะเก็บตัวหรือปีกออกจากหมูแต่ก็ยังคร่ำครวรร่ำร้องขอความเห็นใจอยู่ในทีการประชดประชันบางทีจึงออกมาในรูปของการเก็บตัวแต่ตรงข้าม ถ้าเป็นความหยาบคายก็อาจจะประจานด้วยกายกรรมของตัวเองออกไปแปดบ้านแบบนี้เรียกว่าเก็บตัวแต่เป็นการเก็บตัวแบบเปิดเผยบางขณะแห่งความสงบเราจึงอาจได้ยิงเสียงดังราวฟ้าผ่าแรมยิ่งกว่านกบีดแผดร้องผ่านหลอดคอข้างๆบ้านเราหรือแม้แต่ช้างหรือแม้แต่ข้างๆตัวเราก็ได้ คืออันนี้เขาพูดถึงลักษณะของคนที่หนีปัญหาโดยใช้วิธีการที่หนีสังคมเนี่ยนะคือออกจากหมู่เลยห่างแยกตัวออกไปเลยอันนี้คิดว่าทุกคนคงจะมีอยู่แล้วยังอัตมาเนี่ยบางครั้งก็มีที่เรารู้สึกว่าโอ้เราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาอย่างนี้นี่เบื่อบางทีเราใช้คาเนียนนะเบื่อขี้เกียจเห็นหนายคนนี้ ที่เกลียดผู้ใหญ่คนนี้เพราะฉะนั้นเราก็แบบโอ้ไม่เจอไม่เจอกันดีกว่าแล้วก็หลบหลบเรี่ยงไป ท, งทั้งทั้งที่บางทีก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอาจจะอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่ในที่บริษัทเดียวกันนะแต่เรารู้เลยว่าว่าเห็นไอ้คนนี้ก็เหมือนกับเราพยายามเหมือนไม่เห็นนะไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยเราก็ทําแต่งานของเรา นะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาพูดถึงว่าแบบหนีสังคมนะแล้วก็อยู่แต่ในี้ยพบของตัวเราเองเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับใครต่อใครด้วยนะแต่แต่เขาบอกว่ามันมีหนีอยู่สองอย่างคือหนีแบบเงียบๆอย่างหนึ่งกับหนีแบบเสียงดังอีกอย่าง <c oughs> นะหนีแบบเงียบๆก็คือไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่คุยไม่อะไรกับใครทั้งนั้นนะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้อาจจะมีเสียงดังราว้าผ่า เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็นะี่ยมันแล้วแต่จริตเหมือนกันแล้วแต่นิสัยเพราะบางคนหนีเหมือนกันหนีสังคมแต่ไม่เงียบนะอาบางคนนี่เงียบๆจริงๆนะใครมาซักใครมาถามเนี่ยแทบจะพยักหน้ายิ้มใหไม้ไม่ค่อยพูดจาอะไรหรอกแต่บางคนหนีหนีในลักษณะที่เรียกว่าโอ้โหพูดนะถ้าใครมากระตุกแล้วก็ไม่ได้นะจะพูด เสียงดังเลยละจะพูดแบบ น, นั่นเลยรุนแรงเลยแหละนะแต่ถ้าเป็นเป็นปกติเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่ไปแตะต้องไม่แปลอะไรกับใครเลยนะอันนี้เป็นลักษณะที่ในหนังสือนี้เขาบอกลักษณะของการเก็บตัวหรือปีกจากสังคมจึงไม่ใช่เพียงแต่กันตัวเองออกมาเท่านั้นแก่นแท้ของการเก็บตัว จึงคือการแยกตัวเองออกจากหมู่กลุ่มไม่ว่ากรณีใดๆและในมุมกลับปฏิกิริยาจากจิตวงเล็บรักตัวเองตัวเดียวกันนี้ก็ได้สร้างพลังสุดโต่งในอีกด้านคือพลังแห่งการลุกราม น, นั่นคือแทนที่จะเก็บตัวก็กลายเป็นเก็บคนอื่นออกจากสังคมของเราเสียเลยนะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างไม่ชอบหน้าคนนี้ ก็ไม่คุยไม่คบหาด้วยเออตรงกันเห็นไหมกีที่จะมายกตัวอย่างตรงกันหรืออีกตัวอย่างหนึง่งไม่พอใจอะไรใครก็จะเลิกคบอยู่เรื่อยใครมีอาการรุนแรงแค่ไหนก็เป็นอาการของโรคจิตขนาดนั้นเท่านั้นแหละจริงๆมันไม่เชิงหรอกมไม่ใช่แบบเป็นโรคจิตหรอกแต่มันเป็นอาการของกิเลสอย่างหนึ่งนะ ไม่รู้เขาจะใช้ว่าโรคจิตได้หรือเปล่าอ่ะจริงจงมันเป็นมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมันมันไม่ใช่แบบว่าเป็นถึงกับโรคจิตหรอกนอกจากคนที่ที่หนีปัญหาหรือว่าหนีสังคมมากๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกฤาษีอ่ะก็เป็นพวกโรคจิตตัวดิพวกฤาษีที่หรือบางคนเนี่ยที่อกหกักหลัรลอยคอยงานสังขารโศมอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็อยู่กับเขาไม่ได้ก็เลยหนีมาบวช คือ น, นีจากสังคมที่ตัวเองอยู่ยนะแล้วก็มาบวชก็เป็นโรค ก, กิตไม่ใช่หรอกมันจริงๆมันยังไม่ถือว่าเป็นโรค ก, กิตแต่ว่ามันเป็นอาการของกิเลสอย่างหนึง่งที่มันเกิดขึ้นยกเว้นว่าคนนั้นเนี่ยพอหนีสภาพสังคมมาแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยนะพอมาอยู่ในสังคมใหม่แล้วนี่เขาก็ยังคงเก็บตัวก็ยังคงอะไรอะ่ะยังคงหนีสังคมที่เขามาอยู่ใหม่อีก เข้าใจไหมเออไอ้ท่าอย่างนี้ชักชักชมีอาการแล้วมันมันจะไปอย่างนั้นทีเดียวจะยังไงเพราะว่าคนเราจริงๆเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยท่านให้พยายามอยู่กับปัจจุบันธรรมคําว่าพยายามให้อยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยเท่ากับหมายความว่าคนเราปกติไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันธรรมเข้าใจไหมปกติคนเราเนี่ยชอบอยู่กับอนาคตรบ้างชอบอยู่กับอดีตบ้าง คนเราเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันธรรมเท่าไหร่หรอกคนที่จะมออีอยู่กับปัจจุบันธรรมได้ดีที่สุดคือคนที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาคนนั้นถึงจะค่อนข้างอยู่กับปัจจุบันธรรมได้แต่คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะทั่วพร้อมอยู่บรรพบุตรเจ้าถึงได้ตรัสเป็นส่วนใหญ่ไงว่าให้อยู่กับปัจจุบันธรรมเพราะว่านี่แหละความจริงคือมันไม่ค่อยอยู่ มันจะไปกับอดีตหรืออนาคตอยู่เรื่อยมี2 อ, อย่างเนี่ยจะไปอยู่เรเเื่ อ, อยว่าอมาถึงบอกว่ามันไม่ถึงขั้นแบบแบบเป็นโรคจิตหรอกนอกจากว่าคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วเนี่ยนะแบบชนิดบ้ารุนแรงคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจรงิงคําว่าไม่ยอมรับความจริงคือไม่ยอมรับปัจจุบันธรรมนั่นเองนั่นแหละคนนี้แหละถึงจะเป็นโรคจิตละไม่ยอมรับความจริงของปัจจุบันเพราะคนนั้นเนี่ย ก็จะยึดเอาอนาคตหรือเขาจะใช้คําว่าความฝันความใฝ่ฝันหรือเขาจะใช้คําว่าความหวังหรือจะใช้คําว่าจินตนาการหรือจะใช้คําว่าสร้างอะไรสร้างวิมานนะอันนี้ในอนาคตก็แล้วแต่แต่ว่ามันรุนแรงนะถ้ารุนแรงแล้วเนี่ยมันเอ๊ชักจะเป็นโรภจิตแล้วอย่างเงี้ยส่วนอีกพวกหนึงก็คือจมอยู่กับอดีตเนี่ย จิตมันค่อนข้างที่จะฝังอยู่กับอดีตฝังอยู่กับอดีตคิดอยู่กัอดีตนั่นแหละจนกลายเป็นเอาอดีตไปเป็นปัจจุบันทั้งที่ความจริงปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอดีตเ <c oughs> ข้าใจไหมเนี่ยปัจจุบันนี่ไม่ใช่อดีตแต่ปัจจุบันมันมาจากอดีตแล้วก็ใช่แต่ปัจจุบันไม่ใช่อดีตแต่คนนี้เนี่ยเอาอดีตเนี่ยมาคิดอยู่เรื่อยมันนึกอยู่เรื่อยอย่างบางคนนี่ทะเลาะกับ เอ่อพี่น้องหรือทะเลาะกับใครเสร็จแล้วก็ทะเลาะตบตีกันแยกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาอยู่ที่ใหม่แล้วมาอยู่บ้านใหม่แล้วทำงานที่ใหม่อะไรอะไรก็ใหม่หมดแล้วทุกอย่างแต่คนนี้ก็ยังคอยคี้อยู่เรื่อยในเรื่องพวกนี้เรื่องว่าเอ๊เดี๋ยวนี้น่ะเป็นปยังไงแต่ก่อนนี้ทะเลาะกันยังไงอะไรภาพเอ็มโนภาพพวกนี้นะ มันก็เป็นมนโนภาพอีกเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นภาพเก่าๆที่มันขึ้นมาอยู่เรื่อยบางคนนี้เนี่ยอยู่ปัจจุบันก็จริงแต่อยู่ในโลกของอดีตเนี่ยพวกเนี้ยโลกจิตแล้วนะ่ะนี่แหละเพราะวมันมั น, ม, นมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ปกติของคนที่บางทีคิดอนาคตบ้างคิดอดีตบ้างแต่ว่าพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็เอออยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงว่า พวกนี้ถ้าไม่รุนแรงนะก็ก็คือคนปกติเพราะปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่โรคจิตอืมนะอ้ววันนี้คงฝากไว้ท่านี้